พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ส4บสระสูตรที่สิบจุลปุณมสูตรสูตรว่าด้วยคืนพระจันทร์เต็มดวงสูตรเล็กพระผู้มีพระภาคประทับณปราศาสตรของนางวิสาขาในบุพารามใกล้กรุงสาวัตถีประทับนั่งในที่แจ้งแวดล้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงสิบห้าค่ำ ตรัสสอนเรื่องอสัตว์บูรุษคือคนชั่วและสัตว์บูรุษคือคนดีโดยแสดงว่าสัตว์บูรุษประกอบด้วยสัตว์ธรรมเจ็ดประการคือหนึ่งคบสัตว์บูรุษคือคบคนชั่ว 2. คิดอย่างอสัตว์บูรุษคิดอย่างคนชั่ว 3. ปรึกษาอย่างอสัตว์บูรุษปรึกษาอย่างคนชั่วส พูดอย่างสัตว์บูรุษพูดอย่างคนชั่วห้าทำอย่างสัต์บูรุษทำอย่างคนช ja ั่วหกเห็นอย่างสัต์บูรุษเห็นอย่างคนชั่วเจ็ดให้อย่างสัต์บูรุษคือให้อย่างคนชั่วพร้อมทั้งแสดงรายละเอียดส่วนสัตว์บูรุษทรงแสดงโดยในตรงกันข้ามคติของสัต์บูรุษ คือนรกหรือกำเนิดเดรัชฉานส่วนคติของสัตว์บุรุษคือความเป็นใหญ่ในเทพหรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์หมายเหตุสัตว์บุรุษในที่นี้สะกดด้วยสอเสือไม่หันอากาศต่อเต่านะครับ